แนะนำบทอัลฟัตบทนี้เป็นบทมาดานิยะมียีสิบองค์การที่ความสนใจทางด้านการตราพระราชบัญญัติเช่นเดียวกับบทมาดานิยะอื่นๆบทนี้ได้กลา่าวถึงการทำสัญญาพรองดองที่ผู้ใดมีะที่กระทำขึ้นระหว่างท่านรอซูลกับพวกมุสลิกีนในปีที่หกแห่งฮิจรัสกกระาษ ซึ่งเป็นการเริ่มแห่งการพิชิตนครมักกะเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้บรรดาผู้ศรัทธาได้มีอานาจมีชัยชนะมีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นหมาชนพากันเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมากบทได้กล่าวถึงการต่อสู้ของบรรดาผู้ศรัทธาและทำศัตยาบรนอันริดหวานซึ่งได้ให้ศัตยาบันกับท่านรอซูล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 บทนี้ได้กล่าวถึงความฝันซึ่งท่านรอสูลฺสลลฺลลอห์อะลัยวะสัลลัมฝันเห็นในขณะที่นอนอยู่ในนครบัดินะและท่านได้เล่าความฝันนั้นให้แก่บรรดาสาวกได้รับฟังพวกเขาได้แสดงความยินดีกันความฝันนั้นก็คือว่าการเข้าสู่นครมะกาของท่านรอสูลฺสลลฺลลอห์อะลัยวะสัลลัมและบรรดามุสลิมด้วยความปลอดภัยและความอบอุ่น และความฝันนั้นก็ได้เป็นความจริงเพราะทะรารูลและบรรดาผู้ศรัทธาได้เข้านครมักกะในสภาพผู้ทำอุมรอด้วยความปลอดภัยและความสงบบทอัลฟัต ถ, ถูกขนานนามเช่นนี้เพราะ AH อัลลอฮ์ทรงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยชัยชนะอันยิยย่งใหญ่ ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอถ้าจริงเราได้ชัยชนะแก่เจ้าซึ่งเป็นชัยชนะอันชัดแจ้งยล้วที่รักอัลลอฮฺแม้จะดด م มิได้บิดกว่ามาตั้ขับวยุติมมะลิมมัตะฮูอาลัยกะวยะฮดีกะซีราะตันุสตฺทีมา เพื่อเราจะได้ทรงอภัยความผิดของเจ้าที่ได้ล่วงไปแล้วและได้เกิดขึ้นภายหลังแต่จะทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์ครบสมบูรณ์แก่เจ้าและทรงชี้แนะทางแก่เจ้าคือทางอันเพียงตรงและเราจะทรงช่วยเหลือเจ้าด้วยการช่วยเหลืออย่างเข้มแข็ง อัลเลสเซคีนเตฟิห์หุลบิลมุ่มมินีนลิย з ดาดูอีมาลัมมั่งอิมานิ و ل ل ل า جنود السماوات و ال ال ا ل أ ล ض وكان الله عليما حكما พระองค์คือผู้ทรงประทานความเงียบสงบลงมาสู่จิตใจของบรรดาผู้ศรัทธาเพื่อพวกเขาจะได้เพิ่มพูนการศรัทธา ให้กับการศรัทธาของพวกเขาและเป็นสิทธิของอลัลลอฮ์คือไพ่พลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแ ล, ล้วเราเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญาณ เพื่อพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผูา้ศรัทธาหญิงได้เข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายซึ่งมีแม่น้ําหลายสายหลายผ่านอยู่เบื้องล่าง โดยพวกเขาจะเป็นผู้พานักอยู่ในนั้นตลอดกันและพร่งจะทรงลบล้างความชั่วของพวกเขาออกจากพวกเขานั่นแหละคือชัยชนะอันใญจหลวงณ่ะเทียรละ่ะวัยวอาศิบัลมุนาฟิกีนวัลมุนาฟิกาทวัลมุชริกีนวัลมุชริกาทิดวนนีนบิ الله บันส์ว هم, هم, م, และพระองค์จะทรงลงโทษแก่ผู้กลับกลอกชายและผู้กลับกรอกหญิงและบรรดาผู้ตั้งภาคีชายและบรรดาผู้ตั้งภาคีหญิงโดยพวกเขาขึ้ร้ายต่อโลให้ร้ายเหล่านั้น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 เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายาถ้าจริงเราได้ส่งเจ้ามาเพื่อเป็นพยานและผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวร้าย เพื่อพวกเจ้าศรัทธาต่อหลอและรอสูนของพระองค์และความช่วยเหลือเขารอศูนและยกย่องให้เกียรติเขารอศูนและแท้สองสะดุดีพระองค์ทั้งในยามเช้าและยามเย็นอินนั้นที่นั้นยุบายูนักอินนัม่ยุบายูนอัลลอฮ์ยัตุลลอฮ์ฟาว قاء ิดีหิน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 พวกเขากล่าวด้วยลิ้นของพวกเขาโดยไม่มีอะไรในหัวใจของพวกเขาจงกล่าวเถิดมัวหมัดว่าใครเล่าจะมีอำนาจอันใดที่จะป้องกันพวกเจ้าจากอาลัลลอฮ์หากพระองค์ทรงประสงค์ใช้ความทุกข์แก่พวกเจ้าหรือพระองค์ทรงประสงค์ใช้ประโยชน์แก่พวกเจ้าแต่ทว่าอาลัลลอฮ์ทรงรู้ดีในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ظن อแบัร์รษูอมินุีลาอัลลิบละนองพทดีุ้มาบรหีได้พวกเจ้าคิดว่ารซูลและบรรดานผู้ศรัทธาจะไม่กลับไปยังครอบครัวของพวกเขาเปนะ็นอันขาด และนั่นได้ถูกจำให้เป็นที่เพ่อแปรในจิตใจของพวกเจ้าและพวกเจ้าได้คิดร้ายและพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ชั่วชายิง่งและถ้าบุไดไม่ได้ศรัทธาต่อลา l a h และร a s o o ของพระองค์ ถ้้จริงเราได้เตรียมไฟลุกโชดช่วงไว้สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วแล้วหน้าเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮพระอ ง, ะงค์จะทรงอภัยแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และจะส่งลงโทษที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วรนั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ บรรดาผู้ที่เหลืออยู่ในเมืองจะกล่าวว่าเมื่อพวกเจ้าออกเดินทางไปยังกองทัพเฉลยที่คอยบัดเพื่อไปยึดเอามาก็จงปล่อยให้พวกเราออกติดตามพวกเจ้าไปด้วยพวกเขาประสงค์ที่จะเปลี่ยนคำตัดของอัลลอฮ ต้องกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าเจ้าจะติดตามพวกเราไปไม่ได้เป็นอันขาดเพราะเราได้ตรัสไว้ก่อนแล้วพวกเขาก็จะกล่าวว่าหาไม่ได้พวกเจ้าอิจฉาพวกเราเปล่าเลย พวกเขาไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น。 จะงกล่าวเถิด ม, มูฮัมหมัดแก่ชาวอารักชนบทที่เหลืออยู่ในเมืองว่าพวกเจ้าจะถูกเรียกให้ไปร่วมต่อสู้กับกลุ่มชนที่มีกำลังคนเข้มแข็งกว่าพวกเจ้าจะต้องต่อสู้กับพวกเขาหรือให้พวกเขายอมจำนนดังนั้นเมื่อเจ้าเชื่อฟังปฏิบัติตาม อัลลอฮ์ก็จะทรงประทานรางวัลอันดีงามให้แก่พวกเจ้าแต่ถ้าพวกเจ้าผิดหลังหมีดังเช่นที่พวกเจ้าได้ผินหลังหมีออกมาก่อนแล้วพระองค์ก็จะทรงลงโทษพวกเจ้าอย่างเจ็บปวด <S <S วไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนตาบอดและไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนพิการและไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนป่วยแต่ถ้าผู้ใดเชื่อฟังอัลลอและรอซูลของพระองค์ พระองค์จะส่งให้เข้าเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างส่วนผู้ใดผินหลังออกพระองค์ก็จะส่งลงโทษเขาอย่างเจ็บปวด。<S <S <S <S โดยแน่นอนอลัลลอฮ์ทรงพอพระทัยต่อบรรดาผู้ศรัทธาขณะที่พวกเขาให้สัตยาบันแก่เจ้าใต้ต้นไม้เพราะพระองค์ทรงรู้ดีถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเขาและพระองค์จึงได้ทรงประทานความสงบลงมาให้พวกเขาและได้ทรงตอบแทนชัยชนะอันใกล้นี้ให้แก่พวกเขา และทรัพยเฉลยอันมากมายที่พวกเขาจะได้รับและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชาญา َا عَدَكُمُ اللَّهُمَ غَانِمَ كَثِيرَةً تَأْقُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْذِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَكَفَّ أَيْذِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً Allah ได้ส่งสัญญาแก่พวกเจ้าซึ่งทรัพย์เฉลยอันมากมาย ที่พวกเจ้าจะได้รับโดยพระองค์ทรงเร่งทรัพย์ฉเฉลยที่คอยบักอันนี้ให้แก่พวกเจ้าและพระองค์จะทรงยับยั้งมือของผู้คนพวกยาฮูดจากการทําร้ายพวกเจ้าและเพื่อมันการยับยั้งการทําร้ายจะได้เป็นสัญญาณหนึ่งแก่บรรดาผู้ศรัทธาและเพื่อพระองค์จะได้ทรงชี้แนะทางแก่พวกเจ้าสู่ทางอันเที่ยงตรง أ ا และทรัพย์สินเฉลยอื่นๆอีกที่พวกเจ้าไม่มีกำลังที่จะเอาชนะมันได้แต่ละทรงล้อมพวกมันไว้แล้วคืออาณาจักรเปอร์เซียและโรมันตะวันออกและรอบคือผู้ทรงเดชาลุภาพเหนือทุกสิ่ง ول ول และถ้าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้ต่อสู้กับพวกเจ้าพวกเขาก็จะหันหลังหนีอย่างแน่นอน และพวกเขาจะไม่พบผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆนั่นคือแนวทางขอล้องแกบดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่การลอดและเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆในแนวทางขอล้อง และพระองค์คือผู้ทรงยับยั้งมือของพวกเขาออกจากพวกเจ้าและมือของพวกเจ้าออกจากพวกเขาไม่ได้มีการสู้รบกัน ที่หุกเขาแห่งนครมักกาหลังจากที่พระองค์ได้ทรงให้พวกเจ้ามีชัยชนะเหนือพวกเขาและปรากฏว่าอัลลอ์นั้นทรงรู้เห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ولو لرجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن ت ط ئ و م فتصيبكم منهم معصية بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. Suicide suicide suicide <icism> พวกเขาคือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและ ป, ปิดกั้นพวกเจ้าให้ห่างจากมสัสยิดฮะรอและการเชื่อสัตว์พลีที่ถูกกักกันไว้ไม่ให้บรรลุสู่การเชื่อของมันหากไม่ใช่เพราะมีบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิง ซึ่งพวกเจ้าไม่รู้จักพวกเขาพวกเขาก็จะฆ่าพวกเขาแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดโทษแก่พวกเจ้าเพราะพวกเขาโดยไม่รู้ตัวทางนี้เพื่ อ, อล้อจะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์หากพวกเขาแยกออกจากกันแน่นอนเราก็จะลงโทษผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่พวกเขา إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميمة ح م ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة ن فأزل الله سكينته على ا َ ر س و ل وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ขณะที่พวกปฏิเสธศรัทธาได้ทำให้ความหยิ่งยะโสมีขึ้นในจิตใจของพวกเขาซึ่งเป็นความหยิ่งยะโสแบบสมัยแห่งความงมงาา่ายอลลอฮจึงทรงประทานความเงียบสงบของพระองค์ให้แก่รอซูลของพระองค์และแก่บรรดาผู้ศรัทธาและทรงให้พวกเขาตั้งมั่นอยู่บนคำกล่าวแห่งความยำเกรง โดยที่พวกเขามีสิทธิ์ยิ่งต่อคำกล่าวนี้และเหมาะสมคู่ควรยิ่งติดด้วยและแลอนั้นทรงรู้ทุกสิ่งละกออ โดยแน่นอนละละอัลลอฮ์ทรงทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงแกรอซูลของพระองค์แน่นอนพวกเจ้าจะได้เข้าสู่มัสยิดฮะรอมอย่างปลอดภัยหากอัลลอฮทรงประสงค์ โดยบางคนโกนผมและอีกบางคนตัดผมพวกเจ้าอย่าได้หวาดกลัวเพราะอัลลอ์ทรงรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงกำหนดชัยชนะอันใกล้อื่นจากนั้นอีกโวแลฮีอัลสลรสรุลฮูบินฮุดาวะดีนิลฮักต์ลิยูฮิร์ฮฺวะลาดีนคุลลฮฺวะคัฟบิลลาฮีชัยดา พระองค์คือผู้ทรงส่งราซูลของพระองค์มาพร้อมด้วยทางนําที่ถูกต้องและศาสนาที่แท้จริงเพื่อพระองค์จะทรงให้ศาสนาของพระองค์นั้นประจักษ์เหนือศาสนาอื่นทั้งมวลและพอเพียงแล้วที่เราทรงเป็นพยานว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของพระองค์ محمد ر س و ل الله والذين معه أشداء وعلى الكفار ر ح م ء بينهم تراهم ركع السجدين يبتغون ف ض ل م من الله و ر ض و ا ن ا سماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك م ث ل ه م في التوراة و م ث ل ه م في الإنجيل كزرع أ خ ر جشقه فازره فاستغلب فازره ف ا س ت غ ل ظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع لي غير بهم الكفار. มูฮัมหมัด <Muhammad, S 1> เป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์และบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาเป็นผู้ที่เฉียบขาดต่อพวกปฏิเสธศรัทธาเป็นผู้เมตตาสงสารระหว่างพวกเขาเองเจ้าเจนว่าพวกเขาเป็น ผู้รั่วป้วะยูดโดยสแสวงหาคุณความดีจากเาลาร้อและความโปรดปรานของพระองค์เครื่องหมายของพวกเขาจะปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขาเนื่องจากร่องรอยแห่งการสูญดนั่นคืออุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในคัมภีร์เตารอดและอุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในคัมภีร์อินทรียปันหนึ่งมเมล็ดพืชที่งอกหนอ หรือกิ่งก้านของมันออกมาแล้วทำให้มันงอกงามแล้วมันก็เติบโตแข็งแรงและทรงตัวอยู่ได้บนลำต้นของมันนำความปลื้มปิติมาให้แก่ผู้หว่านเพื่อที่พระองค์จะสร้างความโกรธแค้นให้แก่พวกปฏิเสธศรัทธาเพราะพวกเขาม穆ิ林และอาลทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาและกระทาความดี ในหมู่พวกเขาว่าจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่